หลักการปฏิบัติของพวกเราท่านว่าสัปปายะสัปปายะแปลว่าเป็นที่สบายอุตุสัปปายะอากาศเป็นที่สบายไม่ร้อนมากไม่หนาวมากเสนาสนะสัปปายะที่อยู่อาศัยเป็นที่สบายไม่พุกพ่านวุ่นวายด้วยคู่คนเป็นสถานที่สงบสงัดเหมาะแก่การภาวนาอันนี้ว่าเสนาสนะสัปปายะ อาหารสัปปายะอาหารเป็นที่สบายใครๆก็ว่าไม่ฝืดเครื่องมากแล้วก็อาหารไม่ดีมากเกินไปจนทานเข้าไปแล้วไม่รู้จักตื่นเมื่อนั้นเถอะเ อ, อกินอาหารเข้าไปแล้วนอนหลับเหมือนหมูตลอดทั้งวันอันนั้นก็ไม่แัดว่าอาหารสัปปายะอาหารเป็นที่สบายใช่หมาทานเข้าไปแล้วไม่ทับทาาขันไม่งกไม่ง่วงมากเหมาะพร้อมที่จะภาวนาอันนี้ว่าอาหารสัปปายะ บุคลสปายะบุคคลเป็นที่สบายบุคคลเป็นที่สบายครับว่ากลุ่มที่เราอยู่อาศัยในวัดนั้นหมู่นั้นคณะนั้นมีความเห็นตรงกันมันมีความขัดแย้งแตกต่างกันในความคิดไม่มีความแตกเราสามัคคีกันมีความเห็นเป็นเอกฉันนมีความคิดไปในแนวเดียวกันเพื่อจะรักษาศีลเพื่อจะภาวนาเพื่อหาทางพ้นทุกข์ถ้ามีความคิดแนวเดียวกันความแข่งแย่งกัน ความทะเลาะเบาอแว้งกันก็ไม่มีถามว่าเราอยู่ด้วยกันไม่สัปปายะกันอ่ะจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญมากเรื่องบุคคลอ่ะไม่สัปปายะเนี่ยอันนี้เรียกว่าปุคลสัปปายะบุคคลเป็นที่สบายส่วนเสนาสนะสัปปยะอันนี้ก็สําคัญอีกส่วนหนึ่งเสนาชนะถาว่าพุกผ่านวุ่นวายอยู่ในกลุ่มชุมชน หาความสงบสงัดไม่ได้เราจะนั่งสมุธิภาวานามันก็หาความสงบไม่ได้จิตมันวุ่นวายสายแสออกไปข้างนอกอันนี้เราบ่าเจนะสนะกับปายะเป็นส่วนประกอบเหมือนกันเพราะนั้นภูบาจยา์สมัยเก่าแก่ท่านจึงเสาะแสวงหาอยู่ตามภูผาป่าไม้ตามถ้ำเงื้มผาป่าช้าที่ไกลจากชุมชน แล้วก็เป็นที่สงบสงันต์เต่าเปียวเดียวได้เป็นสถานที่กลัวท่านจะชอบอยู่อย่างนั้นสถานที่ใดถ้าเข้าไปจิตใจของเราไม่กลัวมันเคยชินกับสถานที่สถานที่แห่งนั้นถึงเราจะไปอยู่ภาวนาก็มันอย่างนั้นอย่างนั้นแหละแต่ว่าสถานที่ใดพอเราเข้าไปแล้วรู้สึกว่ากลัวมีความกลัวอยู่ลึกๆในใจมีความกลัวก็มีความระวังในใจด้วย พอไปนั่งภาวนาเนี่ยกับจิตใจจะเข้าสู่ความสงบได้ง่ายเพราะว่ามันมีความระวังความระวังนั่นแหละคือสติถ้าเราเราไม่มีสติเราพักเราไม่กลัวอยู่ตามอำเภอใจอยู่ตามอัธยาใจของตนเองจิตใจมันก็เคยชินกับสถานที่มันก็ไม่มีความระมัดระวังการจะนั่งภาวนาก็จะตะล่อมเข้าสู่ความสงบนี่ก็อยาก มีแต่มันคิดบุนวายสายแสออกไปข้างนอกมากกว่าเพราะนั้นท่านจึงให้เสาะแสวงหาที่สงบที่กลัวอย่างป่าช้าเป็นตน้นพอเข้าไปป่าชา้ามันกลัวเน๊ะกลัวผีจะหลอกกลัวผีจะหกักคอกลัวผีจะมาหาเอี่ยนี้พอกลัวกลัวกัวเข้านั่งภาวนาหนรือไปอยู่ในถ้าถ้าเมื่อเราไปเสาะแสวงหาภาวนาน ถ้าเราไปเห็นถ้ำตามลําพังแล้วไปเห็นที่กลัวๆใครเช้าแบบพอขึ้นไปคลายคลายคอมันตึ๊กในจิตใจในใจของเรานี่ยมีความรู้สึกกลัว น, นั่นแหละให้อยู่เถอะให้อยู่เลยภาวนาจุดนั้นแหะจะได้กําลังใจถ้าเราไปอยู่แล้วเฉยๆเนี่ยเหมือนกับบ้านของเรามันมีความกลัวไม่มีความอะไรภาวนากันอย่างนั้นอย่างนั้นแหละมันไม่ดูดไม่ดื่ม นี่แหะครูบาอาจารย์ท่านเสาะแสวงหาที่ภาวนาท่านเสาะแสวงหาอย่างนั้นไม่ใช่ว่าที่ไหนผู้คนพุกผ่านบุญไวสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะไปภาวนาที่นั่นไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่สมัยทุกวันนี้ก็อย่างว่านั่นแหละไปที่ใดๆมันก็เป็นปา่าเป็นสวนเป็นไร่เป็นนาเขาหมดถ้าเป็นปา่าเป็นดงทางปา่าไม้ของเขาเขาบอ รักษาห่วงแหนไม่อยากจะให้เขาไปอยู่อาศัยกลัวจะไปทําลายเขากลัวจะไปอยู่ที่ของเขาไปเลยมันก็ยุ่งยากไปอีกส่วนหนึ่งเหมือ น, นสมัยทุกวันนี้ไม่เหมือนสมัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์สมัยเก่าสมัยนั้นท่านจะไปอยู่ในภูเขาลําเนาไฟที่ไหนไหนก็ไม่มีใครจีดกันไปภาวนาสถานที่ใดๆก็ได้เพราะนั้นท่านจึงเสาะแสวงหาที่สัปปายะ ที่ภาวนาของท่านใช่ไเสนาชนะสัพพายะอุตตสัพพายะก็อย่างที่ว่านี่นะถ้าอากาศร้อนมากเราภาวนามันก็กระวนกระวายเหมือนกันถ้ามันหนาวมากมันก็อยู่ลําบากเหมือนกันถ้าฝนตกมากเกินไปก็ลําบากมากแต่ถ้าจะว่าไปแล้วขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้แห ล, ละเหมาะแก่การภาวนาที่สุดอากาศก็ไม่ถึงกันหนาวมาก กลางวันเราจะเดินยังกลมนั่งสมาธิภาวนาก็ได้ตามสะดวกสบายแต่ว่าช่วงนี้เดือนเนี่ยเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยธันวาต้นๆ้นเดือนเนี่ยเป็นอุตุสัปปายะที่เหมาะแก่การภาวนาแต่ว่าเราจะเสา ะ, ะแสวงหาให้สัปปายะทุกอย่างเซะก่อนเราจึงมาทําความภาพเทียนมาภาวนาถึงเสา ะ, ะแสวงหาจนถึงวันตายก็ไม่เจอครบ ก็ไม่ครบทุกอย่างท่านว่าะอืมอันนี้ให้เายาท่านบอกเอาไว้เลยว่าไม่ครบทุกอย่างถ้าขาดอันหนึ่งก็ยังเหลืออันหนึ่งเหลืออันหนึ่งก็ขาดอันหนึ่งแต่ข้อสาคัญเจนาสนะสัพพายะภุคละสัพพายะเนี่ยสิ่งที่สําคัญทางว่าเราอยู่คนเดียวก็ไม่มีปัญหาอเราส่องแสวงหาอยู่ตามลําพังเป่าเปลี่ยวเดียวดายหาภาวนาตามถ้ำตามเงื้อมผาต่างๆแต่ถ้าเรามีหมู่มีคณะตั้งแต่สองคนขึ้นไปแล้ว ต้องมีความคิดแบบเดียวกันมีกฎกฎติกาต่อการเวลาไหนเราจะมาหากันพูดกันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยทำยังไงอันนี้มีความคิดเห็นแบบเข้ากันได้อันนี้เราว่าพุคระสปายะเวลาจะไปคนหนึ่งจะไปทางหนึ่งถึงหนึ่งจะไปทางหนึ่งออมีความคิดสวนกันอยู่เรื่อยนั้นไม่ได้ลภาวานาไม่เป็นไม่ไปหรอกเหมือนกับโขขากบใส่ขาหนูนั่นะ หนูก็จะปีนขึ้นบอกกบมจะโดดลงน้ำมัความคิดเห็นแก่งแย่งกันจะภาวนามันหาความสงบไม่ได้เลยนะนั่นนะไม่ใช่ปุคระตาสปายะในครั้งพุทธเจ้าของเราในครั้งพุทธการมีพระภิกษุท่านออกไปเที่ยวป่าหาภาวนาสมัยนะั้นมีพระออกไปประมาณสามสิบองค์โดยมากจะไปเป็นคณะ ข้อพระสมัยนั้นมีมากบางทีเป็นร้อยเป็นสี่ห้าร้อยเป็นพันแต่ว่าสามสิบองค์นี่แปลว่าน้อยมากแล้วท่านออกไปภาวนาในป่าไปไปเห็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งอยู่ในกลางป่าเหมาะแก่การภาวนาท่านก็เลยเข้าไปหาชาวบ้านเขาชาวบ้านเขาเห็นพระสงฆ์เขาก็ปีติยินดีอยากจะนิมนต์พระสงฆ์พักภาวนาในหมู่บ้านของเขาเพื่อจะได้ทําบุญทําทาน ทีนี้พอพระสงฆ์เข้าไปนายบ้านเป็นผู้หญิงเป็นผู้ดูแลแจัดการเรื่องพระสงฆ์โยมผู้หญิงกับเป็นผู้บอกกับโยมผู้ชายทั้งหลายแหละทั้งพ่อบ้านแม่บ้านในหมู่บ้านนั้น่ะให้ช่วยการทําเสนาสนะเป็นที่กบาบังแดดลมหนาวอยู่ในป่าพระท่านก็ไปชี้ให้ที่ทําทําจุดนั้นทําจุดนั้นทําจุดนั้นพอทําเสร็จแล้ว พระท่านกับภาวนาเล่งความเพียรของใครของเราต่างองค์ต่างอยู่จะไม่คุยกันมีกฎกติกาแต่ถ้าว่าองค์ใดเจ็บให้ได้ป่วยไม่สบายก็มีะระฆังตีตีะระฆังขึ้นพระสงฆ์จะได้มารวมกันเดีนี้พอตอนบ่ายอุบาสิกาคนนั้นก็เข้าไปไงเข้าไปหาพระสงฆ์ก็ไปเจอพระที่ท่านอยู่บริเวณนั้นนะ่ะพระสงฆ์ทำไมเงียบ พระสงฆ์ทะเลาะ ก, กันเหรอพระองค์นั่นก็บอกว่าไม่ใช่ท่านไม่ได้ทะเลาะ ก, กันหรอกท่านภาวนากานต่างองค์ต่างอยู่แล้วจะพบท่านได้ยังไงเนี่ยฉันมีน้ปนาปานะจะถวายพระคุณท่านถ้าต้องการพบ ก, ก็ตีละครั้งเลยตีละครั้งว่างว่งว่างว่างพระสงฆ์ก็ต่างองค์ต่างมาพอต่างองค์ต่างมาก็ต่างองค์ต่างเดินมาเหมนกันไม่เห็นพระสงฆ์เดินออกมาเป็นคู่ ออกมาเป็นคู่คุยกันต่างองค์ก็ต่างออกมาจากที่พักของใครของเราออกมาคนละทีกันพอมาพักที่ศาลาอุบาสิกาคนนี้ก็แปลกใจเอ๊ะทำไมพระสงฆ์เนี่ยท่านจึงไม่พูดกันท่านทะเลาะ ก, กันหรือเปล่าเนี่ยท่านมีความทุกข์อะไรท่านมีเรื่องอะไรท่านจึงไม่สนทนาไม่พูดไม่คุยกันไม่ร่าเริงในต่างองค์ก็ต่างอยู่แบบสงบของท่านเอียก็เลยถามพระหัวหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะบอกว่า พระสงฆ์พระภุนท่านทั้งหลายเนี่ยอีฉันมาเห็นพระสงฆ์ออกมาไม่เห็นเดินคุยกันเลยทําไมพระสงฆ์ทะเลาะกันเหรอมีเรื่องไม่สบายสิ่งใดบ้างที่จะให้โยมช่วยปาเถร ะ, เ, ระเลยบอกเอออันนี้ไม่ใช่มันเป็นกฎต่างองค์ก็ต่างทำความภาคเทียนของใครของเราจะไม่มีการมั่วสุมคุยกันที่ไร้ประโยชน์ต่างองค์ก็ต่างอยู่ภาวนาของใครของเรา พอฉันจะหันเสร็จก็เข้าประจำที่กลางวันของใครของเราถ้าหาว่าไม่จำเป็นจริงๆก็จะไม่คุยกันมีแต่การเพ่งการพิจารณาอยู่เสมอตลอดเวลาอุบาสิกาคนนั้นก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นดิฉันจะขอภาวนาด้วยได้ไหมจะทำยังไงวิธีภาวนา้าะธีลว้ว่าได้ท่านก็เลยแนะนำวิธีการภาวนาอธิบายให้ฟังว่าทาจิตยังไงทาจิตให้สงบ เมื่อจิตสงบแล้วพิจารณาอะไรทางวิปัสสนาท่านก็กำหนดลมหายใจเข้าออกนี่นะเป็นหลักจากนั้นก็พิจารณาร่างกายสังขารว่าไม่ใช่ตัวตนพิจารณาอาการสามสิสองเกษาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโรมาเกษาหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามตับหัวใจปังปืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าพิจารณาอาการสามิสอง ให้เป็นแต่สักวัฒสีดินน้ำลมไฟไปชุมกันท่านก็สอนอุบาสิกาคนนั้นอุบาสิกาคนนั้นเขามีอุปนิสัยเก่าแก่อยู่แล้วพอเขาไปนั่งภาวนาเข้าไปจิตใจของเขาสงบเขาได้สำเร็จเป็นพระอนาคามีเป็นอริยะบุคคลขั้นที่สามพระโสดาสกธาอนาคายังอยู่ขั้นเดียวท่านั้นยังไม่ถึงพระอระหันต์ที้ท่านก็ภาวนา ได้แล้วท่านก็รู้ว่าเออพระสงฆ์รู้ได้เลยด้วยวารจิตของท่านท่านก็ตรวจ ด, ดูตั้งแต่หัวหน้าจนถึงองค์สุดท้ายโอ้ยังเป็นผู้แวกวายอยู่ยังไม่ได้สําเร็จอรหันซักองค์เดียวต่างคนก็ต่างทำความภาคเพียนขมักขเม้นของใครของเราเนียเราจะช่วยยังไงท่านได้นานนะกูบาศิกาท่านคล้ายๆมีเลดาจับเลยจับดูพระทุกอง์ ตั้งแต่หัวหน้าจนถึงองค์สุดท้ายท่านก็บอกโอ้ท่านมาอยู่ที่นี่ท่านเป็นพ่ตระกูลเศรษฐีพ่อค้ากษัตริย์เป็นผู้ร่ำรวยมาก่อนท่านมาอยู่ที่นี่ท่านกันดารเรื่องอาหารไม่สัปปายะสําหรับท่านเพราะนั้นเราควรจะเตรียมอาหารสําหรับพระคุณท่านแต่นั่นก็เลยพยายามเตรียมอาหารคล้ายๆกับว่าแต่ก่อนก็มีแต่ตามมตีตามเกิดถ้าเป็นข้าวเหนียวก็ข้าวเหนียวอย่างนั้น แต่ที่นี้ท่านไม่ถนัดเป็นข้าวเหนียส์่ชันก็ไปมันก็ท้องผูกก็มีอะไรก็มีที่นี้ก็จะเป็นข้าวส้มเอาข้าวเหนียสเป็นข้าวส้มอะไรถวายท่านเป็นอาหารอ่อนพระสงฆ์เมื่อได้อาหารที่ดีอาหารสัพพายะท่านก็ภาวนาเล่งความภาคเพียนถ้าว่าองค์ใดคิดอย่างไงอุบาสิกาจะรู้หมดต่างองค์ก็ต่างไม่คิดออกไปนอกรูนอกทางจีกับภาวนาของใครของเราไม่นานพระเหล่านั้นได้สาเร็จเป็นพาาระอรหันต์ทั้งหมด ตั้งแต่หัวหน้าจนถึงองค์สุดท้ายเมื่อได้สาเร็จเป็นพระหารีโอมหาอุบาสิกาเป็นผู้มีบุญคุณสําหรับพวกเราเป็นผู้ดูแลพวกเราเป็นผู้อุปถรัรมภะถาคยอดเยี่ยมบุญคุณมหาศาลแต่พวกข้าพเจ้าจะได้ไปกราบเพราะผูใ้ใเจ้าพรอะหมดกิจแล้วจะได้กราบผลแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมจากนั้นก็เลยลาอุบาสิกาบาสิก า, าอกเออท่างว่าพระคุณท่าน องใดอยากจะมาภาวนาขอที่มนต์นะเจ้าค้าเท่านั้นแต่เมื่อไปถึงแล้วแต่ทมนต์กลับมาด้วยพระสงฆ์เหล่านั้นก็เลยเดินทางเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพอไปกาปราบก็เลยไปกราบพูนว่าพวกข้าพระองค์ไปภาวนาอยู่ในป่าด้วยกันสามสี่องค์แต่มีมหาอุบาสิกาท่านหนึ่งในหมู่บ้านเป็นผู้ให้อุภ า, าระดีมากเป็นผู้ดูแลพระสงฆ์จนพวกข้าพระองค์ได้สําเร็จ สมความมุ่งมา่ปรารถนาในทำขั้นสูงเป็นผู้มีพคุณอย่างมากอย่างรถเหลืออุบาสิกาท่านนั่นเพรว่าท่นนั้นมีหลวงตาองค์หนึ่งนั่งฟังอยู่ข้างๆพระเหล่านั้นกับบรรยายบอก ว, ว่าพวกกับผมคิดอะไรอุบาสิกาเขารู้หมดเรื่องต่างๆที่คิดออกไปทางหลวงตาจริงหรือเปล่านาะคนคนหนึ่งจะไปรู้ใจคนคนหนึ่งได้ยังไงไม่เชื่อว่างั้น ทีนี้พอพระสงฆ์เหล่านั้นกราบลาพระตุโองแล้วหลวงตานั้นก็เลยกราบคุพระเทเจ้าบว่าเพราะพระธเจ้าข้ากับผมคิดว่าจะไปพอนายไอตรงที่พระทั้งหลายท่านมาเนี่ยแหะจะไปหมู่บ้านนั้ น, นะเออเอพหานานลวงตาเนี่นก็หายบาตรได้ก็ขึ้นบาตรแล้วก็ไปแล้วงั้นเถอะ ไ, ไ, ไ, ไปไปไปพอจวน จ, วนจะถึงวัดงั้นเถะหลวงตาก็คิดขึ้นก่อน โอ้อุบาชิกาเอ้ยข่านเดินทางมาไกลเหลือเกินทางที่ดีก็ให้อุบาชิกาหาคนมาปัดกวาดเซนาชนะให้อาจจะมาบ้างนะถ้าไปถึงแล้วก็เซนาชนะลกลงรังเราจะไปปัดกวาดทต้องตายพอดีเลยนะหลงตาคิดล่วงหน้าไว้ก่อนพอไปถึงวัดสิโอ้ดูวัดเรียบร้อยหมดเขาปัดกวาดคอยท่าหมดเลยหลวงตาเอ๊ะแปลกใจจริงหรือเปล่าเนี่ยไมอุบาชิกาคนนี้ทําไม เหจริงอย่างที่พระเหล่านั้นพูดก็มั่งเหนียวแต่นี้ท่านกับขึ้นไปพักเสนาสนะพักผ่อนตามอัธยาศัยตอนเช้าก็คิดแล้วถึงลงตานะ่ะเอ้ยอุบาสิกาเอ้ยอัตมาเดินทางมันเหนื่อยเลย็กเกินตั้งนมนานตั้งหลายวันกว่าจะมาถึงเนี่ยถ้าวันนี้ได้ ข, ข้าวต้มข้าวอ่อนๆก็จะดีถ้าทานอาหารหนักคขไม่ไหวแน่ๆอยงนั้นคงตายท้องอืดเลยอย่างนั้นแตนี่อุบาสิกาเขาก็จัดข้าวต้มถวายท่าน มาแต่เช้าเลยมาถวายเออแปลกเลยทีนี้หลวงตาเลยป่ะอยู่ที่นั่นก็พอคิดเรื่องอะไรเขาจับได้หมดเออเหมือนกับตำรวจจะจับขโมยอ ย, ย่างนั้นน่ะหลวงตาอยู่ไม่ได้วพาะงั้นเดี๋ยนีโ้โอ้ตายตายต า, ตาเราคิดอะไรเราเป็นปุตุชนนะ่ะนายพให้คิดอยู่อย่างเดียวทั้งวันมันจะได้หรือมันก็ต้องคิดโน้นคิดนี้บ้างเสียเพะงั้นหลวงตาเลยอยู่ไม่ได้เปิดแหนบเลยทีนี้ บาจิกายอาตมาอยู่ไม่ได้อาตมาสิตลาไปแล้วมันบาจิกาโอ้จะไปไหนนี่ท่านอยู่ที่นี่แล้วงั้นไม่ไม่ไม่ไมอาตมาอยู่ไม่ได้แล้วโยเหมือนกับตำรวจอาตมาเหมือนกับขโมยอย่างนั้นตามจับกันอยู่อย่างนี้มันจะไว้เล้วงั้นหลวงตาเปิดเนี่ยเข้าไปกราบทูณพระเจ้าพอไปถึงพระองค์ถามว่าเอ้ยหลวงตาเธอไปภาวนาเป็นยังไงโอ้กระผมอยู่ไม่ได้แล้วมันทาไมเลยเล่าอย่างที่ท่านเล่าเอ้ยนั่นแหละกลับไปน อย่าไปคิดที่อื่นจี้กำหนดภาวนาอย่างเดียวพุทโทอย่างเดียวกำหนดลมอย่างเดียวพิยนาใจรักอันนี้จางทุกทาาขังอนัตตาพิยณาธาตุขันร่างกายเ อ, อ, อย่าไปคิดอย่างอื่นสิตรงนั้นไปไภาวนาอย่างนั้นนะดีแล้วหลวงตาก็เลยพระอมพระ อ, อื่นก็เลยกลับมากลับมาหลวงตาก็มาภาวนาไม่สรงใจไปทางอื่นเลยจิอยู่กับสมาธิทั้งวัน พอคืนหนึ่งท่านก็เลยได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์พอสาเร็จเป็นพระอรหรันต์แล้วทีนี้โอ้เราลือกถึงคุณอุบาสิกาเป็นผู้มีพระคุณสําหรับเรามากเหลือเกินอถ้าว่าไม่ได้อุบาสิกาช่วยเขียนนี่เราคงจะไม่มาถึงจุดนี้ให้ได้แล้วนั้นอันนี้เรามาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะบุญคุณของมาหาอุบาสิกาแท้ๆเง่างนัานกาคิดลําพึงเมื่อได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วทีนี้ท่านก็คิด ย้อนหลังไปเลยทีอดีตชาติของท่านเป็นยังไงบ้างเพราะท่านระลึกชาติหนึ่งชาติสองชาติสามชาติสี่ชาติจนไปถึงชาติที่เก้าสิบเก้าชาตินั้นมหาอุบาจิกาฆ่าท่านไปแล้วบาทเนี่ยท่านไปเห็นมั้งนั้น เ, เป็นสามีพันยากันว่างนั้นเถอะมันคิดล็อกอยังไงก็ไม่รู้เมียฆ่าผัวมัางนั้นเถอะขนาดเป็นพรลรหารท่านก็ยังเ อ, อ้าอุบาจิกาฆ่าเราทีนี้ อุบาสิกาท่านได้สําเร็จเป็นแล้วท่านก็มองดูเพราะเห็นพร ะ, พะอานี้สําเร็จท่านก็ส่งจีตมาเหมือนกันตามดูเหมือนกันอุบาสิกาก็ได้พดในสมาธินะบอกขอให้ระลึกไปถึงชาติที่ร้อยดูขอระลึกไปถึงชาติที่ร้อยหลวงตาี่ข้าอุบาสิกาเสร็จแล้วบานี้เราข่าเขากอดเดียวนั้นพรอะนั้นชาติที่นั้นเขาจะฆ่าเราเ ง, งื่อนถ้าอย่างนั้นก็ให้อภัยกนันนาั้น ให้จบกันจ้าบัดเนี่ยเหนกัอุบาสิกาก็เลยบอกเออให้อภัยยินดีให้อภัยจากนั้นเออถ้านั้นเราก็ไม่มีอะไรอ่ะเราจะนิพพานแล้วเหมนเราไม่อยู่ละโลกนี้คือพระอราหันต์เมื่อท่านได้ตัดสรู้ท่านได้สาเร็จเป็นพระอราหันต์แล้วน่ะท่านทิ้งขันของท่านเหมือนกับ ท, ท, ท่านทิ้งภาชนะดินนั่นไงทิ้งได้ง่ายทิ้งพวกทีเดียวเลยแล้วก็ไปรับเอาภาชนะของคำพระอราหันต์ท่านทิ้งขัน คือถ้าวาดองคใดได้สาเร็จแล้วท่านก็มองดูเออบุปกรรมของเราเกี่ยวข้องกับใครบ้างจะได้สั่งสอนกับประชาชนผู้เกี่ยวข้องกับเราเป็นวงสาคนาญาจะได้รับผลประโยชน์จากเราท่านก็อยู่ทรงพาดทรงขันไปเพื่อจะได้โปรดผู้คนที่เกี่ยวข้องกับท่านถ้าว่าท่านองใดดูแล้วไม่มีใครมาเกี่ยวข้องกับท่านเมื่อท่านได้สาเร็จเป็นพระรหารแล้วท่านก็ทิ้งเลยธาตุการของท่านอืม เข้าสู่นิพพานไปเลย น, ลเนี่น่ะเพราะฉะนั้นวันพระในครั้งพุทธเจ้าวัดป่าเชิดตะวันมหาวิหารเนี่ยแต่ละวันไม่เคยหมดกองไฟเผาพระมีพกมิจิเลศนั่นน่ะมีแต่อยากเกิดอยากเกิดแล้วไม่อยากตายจะมีที่ไหนเกิดแล้วต้องตายวันยังขํานั่นน่ะพราะพุทธเจ้าท่านกลัวเกิดพวกเราเนี่กลัวตายมันตรงข้ามกันพุทธเจ้าเนี่ยว่าถ้าเกิดแล้วต้องตาย นี้เป็นไปอย่างอื่นไม่ได้เพราะนั้นท่านจิงไม่ทำให้เกิดท่านึงภาวานาจำระกิเลสใช้ไฟตะ ป, ปะเผากิเลสราคะโทสะโมหะไฟตะ ป, ปะคืออะไรคือสินสมาธิปัญญานั่นน่ะไฟเผากิเลสราคะโทสะโมหะจนเหือดแห้งจากจิตใจแล้วเป็นบรมสุขแล้วจิตใจบริสุทธิ์แล้วเพราะใช้ไฟตะ ป, ปะ่ะรรเผากันกรองเข้า จนกิเลสทั้งหลายเหือดแห้งจากจิตใจแล้วก็ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะจิตใจก็บริสุทธิ์แล้วก็ไม่มาเกิดอีกแล้นี้ตายแล้วไม่มาเกิดออืนิพพานไปเลยแต่ถ้ายัง ม, งมีเชื่ออยู่มันก็เกิดวันยังค่ำนั่นแหละะไปปฏิสนธิที่นู่นปฏิสนธิที่นี่ทางว่าเรามีบาปมีกรรมเราได้ทํากรรมไม่ดีเอาไว้เราก็จะต้องไปเกิด ไปเป็นสัตว์ที่ิชานบ่างไปตกนรกบ้างไปเกิดเป็นคนแต่พิกนพิการหูหนวกตาบอดเป็นคนทุกข์ยากบาใบอนาถาเพราะบาปกรรมให้ผลเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าว่าบุญกุศลให้ผลไปเกิดในสถานที่มีความสุขพอเป็นพอไปในทรัพย์สมบัติพออยู่พอกินจากนั้นก็ได้ประพฤตปฏิบัติธรรมได้สร้างคุณงามความดี ร่างกายไม่วิดผลิตร่างกายสมบูรณ์ปกตินี่แหละเป็นผู้มีบุญมาเกิดถ้ามากกว่านั้นก็เกิดในตระกูลที่สูงราชามาหากษัตริย์เศรษฐีพ่อค้าแล้วก็ได้ประพฤติธปฏิบัติธรรมอันนี้เลยว่าเป็นผู้มีบุญมาเกิดถ้ามากกว่านั้นก็ไปสูเเเธธ่เทวดาภูมิเทวดาลุคเทวดาการสัตว์เทวดา เาจ้าอาชาตุมหาลาิกาตุสิตายามามีมาแล้วนะไปเรื่อยละ่ะจนถึงพรมอันนั้นคือบุญกุศลให้ผลบาปเอากุศลให้ผลเกิดอย่างน้อยเกิดเกิดเป็นมนุษย์ที่ทุกข์ยากลําบากสักมากกับเป็นคนพิการต่อมากับเป็นสัตว์พิศชานออกจากนั้นก็เป็นเปรตออกจากเปรตกับเป็นตกนรกอะนรกนี่กัมีหลายหลุมเหมือนกันน ะ, ะหลุมใหญ่ที่สุดก็คือโลกันตะนารกอเวจีมหานารก เป็นไฟลุกเป็นเปลวเพลิงไหม้ตลอดอนะว่าเวจีส่วนโลกันตานรกเป็นนรกมืดแปดทิศแปดด้านนะเหมือนเขาเล่าข้าอยู่ในถังที่ปิดไม่มีรูเลยนะเป็นอย่างนั้นนหละจัดทั้งหลายมองไม่เห็นกันต่างตัวต่างเกาะกังอยู่ข้างฝาโลกันตานร ก, กว่างั้นเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ครั้งหนึ่งหรืออุบัติขึ้นมาในโลกครั้งหนึ่งแสงสว่างจะสายว่าบลงไปสู่นรก พวกสัตว์นรกเหล่านั้นพอเห็นการกัดกันอีกเลยทีนี้กัดกันเหมือนกับสัตว์อะไรกัดกันไอ้เ น, นี่ยว่าเป็นนรกที่หลุมลึกเนี่ยว่าโลกันสานรกเอไม่มีการพัฒนาว่าจะได้เกิดมาอีกไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่จึงจะได้เกิดมาพวกนี้เป็นพวกบาปหนักพวกไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีนรกไม่มีสวรรค์สิ่งได้ความชั่วในธรรมหมดเอไม่มีการขยักขแยง พวกนี้ไปต้องไปตกนรกโลกาต่างนี่แหละคนเรานะ่ยมันยืนอยู่จุดกลางจะไปสวรรค์จะไปนิพพานจะไปสู่พรมโลกก็ไปจากมนุษย์เป็นส่วนมากจะไปตกนรกอเวจีจัตถิรชานอย่างที่ว่านก็ไปจากมนุษย์เป็นส่วนมากสรุปแล้วมนุษย์นี่ยเป็นจุดกลางที่จะไปสู่ทางดีก็ได้จะไปทางเลวก็ได้จะสร้างบุญสร้างกุศลเล ย, ยมนุษย์สร้าง จะสร้างบาปเอาคุณลทั้งหลายของมนุษย์สร้างได้มากเพมนุษย์เป็นที่สร้างบุญสร้างคุศสนสร้างบา ร, รมีเพราะนั้นพุทธเจ้าจึงมาต ร, ารัสในเมืองมนุษย์ถ้าไปตัดในเทวดาทั้งหลายโดยมากเทวดาเป็นกายที่ละเอียดจะสอนว่าทุกอย่างนั้นทุกอย่างนี้โดยมากเทวดาจะมองไม่เห็นเพราะมันมีแต่ความสุขความละเอียดอ่อนไม่เหมือนมนุษย์มนุษย์มั น, มนทุกข์จริงๆ ทุกหิวทุกกระหายทุกร้อนทุกหนาวทุกเจ็บทุกปวดอุจจาระปัสสวะอะไรมีแต่ทุกทั้งหมดในมนุษย์ยมันอยากเพราะฉะนั้นว่าเรื่องทุกข์เราก็มองเห็นได้ชัดๆเลยแต่ถ้าว่าเป็นเทพแล้จะมองไม่ค่อยเห็นเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ได้ตัดสู้ในเทพหุพืพรมมาตัดสู้ในเมืองมนุษย์ของเราเนี่ยเป็นแดนกลางทีนี้พวกเราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนา ถึงจะเป็นสุดท้ายปลายแดนก็ยังดีอยู่ทําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้เราได้เห็นได้ปฏิบัติคงเส้นคงวาอยู่บาปปุลสมัยนู้นกับบาปปุญสมัยนี้ก็อันเดียวกันนั่นแหละเอา่าทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทําชั่วแล้วจะได้ดีนก็มีแบบหลอกๆไปอย่างนั้นนะ่ะเดมโดยมากมกันชั่วทั้งชั่วนั่นนะ่ะถ้าใครไม่รู้เราก็รู้อยู่คือความชั่วเอ่า ได้ก็ได้แบบหลอกตอนเองนั่นแ่ะโดยมากมันได้ความชั่วเนี่ยทำชั่วจะได้ดีมันมันยากอยู่ได้ดีก็ได้ดีแบบหลอกอย่างที่ว่านั่นะหละไม่ใช่ดีที่แท้จริงทำความดีก็ได้ความดีทำบุญก็ได้บุญทำบาปก็ได้บาปเป็นไปอย่างอื่นไม่ได้อือเอาต่อไปเดี๋ยวจะพาทั้วัดเย็นแล้วค่อยฟังเทเสดลุงตาต่อไปจากนั้นก็เลิกกัน แต่พอมาช่วงหลังๆมาถามว่าเป็นไงพวกพระหนุม่มเนน้อยทั้งหลายมันเคยนั่งภาวนากี่นาทีอบางองค์ก็ไม่ถึงสามสิบนาทีด้วยซ้ําไปโทษตาตาตาตตายไปได้ปะจากนั้นมากเลยเวลาฟังเทศหลวงตา เ, เอาทุกคนนั่งสมาธิแล้วก็นั่งขัดสมาธินั่งสมาธิแล้วก็ฟังเทศหลวงตาจนจบจบแล้วก็นั่งต่อไปอีกชั่วระยะหนึ่จากานันก้นก็เลิกกัน ก็เลยให้นั่งสมาธิอย่างน้อยก็ให้มันได้ฝึกไปทีละน้อยละน้อยบ้างเอถ้าอย่างงมันก็ไม่ฝึกซะเลยมันยากเหมือนกันนะถ้าฝึกเสียมอันอา้อนติดคอเนี่ยมันง่ายถ้าฝึกนั่งภาวนาเดินยังกลมเน่ยมันยากจิ่งเดินยังกลมเน่ะฝึกใส่ทางเดินยังกลมเหมือนจูงหมาใส่ฝน่มีสีข่ขากจันไว้สีส่ขามันจะจะถูกฝนเวลานั่งภาวนาเขาเหมือนกัน ไม่รู้มันหาววากักหาววายไม่รู้ว่าย่างไรน้ําตาหลังน้ําตาไหลกว่าจะไหว้พระจบหาวแล้วหาวอีกอืตัวกิเลสมันไม่อยากจะให้เราพ้นจากมันไปมันอยจะดึงให้มันอยู่กับเราไปทั้งอยทั้งการสร้างคุณงามความดีมันต้องฝืนมันต้องสู้อืมเอาต่อไปเดี๋ยวทาวัดเย็น